يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم ومؤاهم أ جهنم وبأس المصير โอนบีจงต่อสู้กับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและบรรดาผู้กับกลอบมุนาฟิกีนและจงเด็ดขาดแก่พวกเขาและที่อยู่ของพวกเขานั้นคือนรกยันนำ ซึ่งเป็นที่กลับไปอันชั่วร้ายยิ่ง ا آ و و พวกเขาจะสาบานต่อเรว่าพวกเขาไม่ได้พูดแท้จริงนั้นพวกเขาได้พูดถ้อยคำที่เป็นการปฏิเสธการศรัทธา และพวกเขาได้ปฏิเสธการศรัทธาแล้วหลังจากที่พวกเขาเป็นมุสลิมและพวกเขามุ่งกระทำในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้รับผลและพวกเขาไม่ได้ปฏิเสธแต่จงเกลียดจงชังนอกจากว่าอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ได้ทรงให้พวกเขามั่งคั่งขึ้นจากความโปรดปรานของพระองค์และหากพวกเขาสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวก็เป็นสิ่งดีแก่พวกเขาและหากพวกเขาผิดหลังให้อัลลอฮ์ก็จะลงโทษพวกเขาอย่างเจ็บแส ทั้งในโลกนี้และประโลกและพวกเขาก็ไม่ได้มีผู้คุ้มครองและผู้ชื่อเหอลือใดๆในแผ่นดินและในหมู่เขานั้นมีผู้ที่ได้สัญญาแก่อลลอฮ์ว่าถ้าหากปรองได้ทรงประทานส่วนหนึ่งจากความโปรดปรานของปรอง แก้้พววเราแลแลไน่นอนเหลือเกิดพวกเราจะบริจาคทานและแน่นอนยิ่งพวกเราจะอยู่ในหมู่คนดีครั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงประทานส่วนหนึ่งจากความโปรดปรานของพระองค์ให้แก่พวกเขาพวกเขาก็ตระหนีในส่วนนั้นและได้ผิดหลังให้ โดยที่พวกเขาเป็นผู้ผินหลังให้อยู่แล้วแล้วพระองค์ก็ได้ส่งให้การกลับกรอกในหัวใจของพวกเขาเป็นผลลัพธ์แก่พวกเขาจนกระทั่ง ถึงวันที่พวกเขาจะพบพระองค์เนื่องจากการที่พวกเขาบิดพลิ้วต่ออัลลอ์ในสิ่งที่พวกเขาได้ให้สัญญาไว้แก่พระองค์และเนื่องจากการที่พวกเขาปฏิเสธพวกเขาไม่ได้รู้ดอกรอว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ความเร้นลับของพวกเขาและการพูดซุบซิบของพวกเขา และแท้จริงอัลลอนั้นเป็นผู้สรงรอบรู้สิ่งเร้นลับทั้งหลายพวกที่ตำหนิบรรดาผู้ที่สมัครใจจากหมู่ศรัทธาในการบริจาคทาน และตำหนิผู้ที่ไม่พบสิ่งใดจะบริจาคนอกจากค่าแรงอเล็กน้อยของพวกเขาแล้วเยอยหยันพวกเขานั้นเอาเราได้ทรงเยอยหยันพวกเขาและสำหรับพวกเขานั้นจะรับการลงโทษอันเจ็ดปวดอิสตอฟิร์ลฮุมอ้วลาเตสตอฟิร์ลฮุมอิเสตอฟิรฮุมอ็มรตัฟไลยอฟิรอัลลอฮุลฮุม เจ้าจงขออภัยให้แก่พวกเขาหรือไม่ก็จงอย่าอภัยโทษให้แก่พวกเขาหากพวกเจ้าขออภัยโทษให้แก่พวกเขาเจ็ดสิบครั้งอัลลอฮฺก็จะไม่ทรงอภัยให้แก่พวกเขาเป็นอันขาดนั่นก็เพราะว่าพวกเขาได้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮและรอนิยของพวง แล้วล้อนั้นจะไม่ส่งให้ทางนำแก่กลุ่มชนที่ชั่ว บรรดาผู้ที่ถูกปล่อยให้อยู่เบื้องหลังนั้นดีใจในการที่พวกเขานั่งอยู่เบื้องหลังของรอศูนย์ของอลอและพวกเขาเกลียดในการที่พวกเขาจะต่อสู้ในทรัพย์ของพวกเขาและชีวิตของเขาในหนทางของอลัลอและพวกเขากล่าวว่าพวกเจ้าจงยาออกไปในความร้อนเลย จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าไฟานรกยันนำนั้นร้อนแรงยิ่งกว่าหากพวกเขาเข้าใจพวกเขาจงหัวเราะน้อยและจงร้องไห้มากๆเถิดทั้ทงนี้ เป็นการตอบแทนตามที่พวกเขาขนควายเอาไวา้ หากอัลลอฮ์ทรงให้พวกเจ้ากลับไปยังกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขาแล้วพวกเขาจะขออนุมัติเจ้าเพื่อออกไปก็จงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้าจะไม่ได้ออกไปกับฉันตลอดกาลและจะไม่ต่อสู้ศัตรูใดๆร่วมกับฉันเป็นอันขาดแท้จริง พวกเจ้าพอใจกับการนั่งอยู่ตั้งแต่แรกแล้วดังนั้นจะนั่งอยู่กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังต่อไปเถิดและเจ้าจงยาละหมาดให้แก่คนใดในหมู่พวกเขาที่ตายไปเป็นอันขาด และจงอย่ายือนอยู่ที่หลุมฝังศพของเขาด้วยแท้จริงพวกเขานั้นได้ปฏิเสธศรัทธาต่อลอและรอศูนย์ของพรหมและพวกเขาได้ตายลงขณะที่พวกเขาเป็นผู้ละเมิดวะลาตูอัจบ ก, ก์อ๊มวะลุม้วอุลัดุมอินน์มายูริดุลลอฮอัลยูอัลดิบะฮุบิฮะฟิดดุนยะวะเตซฮักอัลฟุสุมวะฮุมกาฟรุน และจงอย่าให้ทรัพย์สมบัติของพวกเขาและลูกๆของพวกเขาเป็นที่พึงพอใจแก่เจ้าแท้จริงเลาทรงต้องการที่จะลงโทษพวกเขาด้วยสิ่งเหล่านั้นในโลกนี้และต้องการที่จะให้ชีวิตของพวกเขาออกจากร่างไปขณะที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเท่านั้น ول ول และเมื่อมีอัลกุรอานบทใดถูกประทานลงมาพวกเจ้าจงศรัทธาต่อแล้วเถิดและจงต่อสู้ด้ทรัพย์สินและชีวิตร่วมกับรอศูลของพระองค์ผู้ที่มั่งคั่งในหมู่พวกเขาก็ขออนุญาตต่อเจ้าและกล่าวว่าจงปล่อยพวกเราไว้เถิด พวกเราจะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่นั่งอยู่ที่มิได้ออกไปสงขาพวกเขายินดีที่พวกเขาจะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องหลังและได้ถูกประทับตราไว้บนหัวใจของพวกเขาแล้วดังนั้นพวกเขาจึงไม่เข้าใจ اه اه แต่ถ้าว่ารอสูนและบรรดาพุ้ที่ศัทธาที่อยู่ร่วมกับท่านนั้นได้ต่อสู้โดยทรัพย์สินของพวกเขาและชีวิตของพวกเขา ชนเหล่านี้แหละสําหรับพวกเขานั้นจะรับความดีมากมายและชนเหล่านี้คือผู้ที่ได้รับความสําเร็จอัล ล, ล, นนลอฮฺดอได้ส่งเตรียมไว้แล้วสําหรับพวกเขาซึ่งบรรดาสวนสวรรค์ที่มีแม่น้ําหลายสายไหลยอยู่เบื้องล่าง โดยที่พวกเขาจะทำนักอยู่ในนั้นตลอดการนั่นแหละคือชัยชนะอันให่หวงว่าจะ ا ل ر و ن من الأعراب ل ي ن لهم و ق د الذين كذبوا ل ل ه س و ل ص ي الذين كفروا منهم عذاب أ ل ي และบรรดาผู้ที่แก้ตัวในหมู่อาหรับชนบทเหล่านั้น ได้มาซึ่งจะได้ถูกอนุมัติแก่พวกเขาและบรรดาผู้ที่โกโหกต่อล้อและหล่อซูลของพระองค์นั้นได้นั่งกันอยู่การลงโทษอันเจ็บแสบจะประสบแก่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานในหมู่พวกเขาย ال ไม่มีบาปใดๆแก่ผู้ที่อ่อนแอและแก่ผู้ที่ป่วยไข้และผู้ที่ไม่พบสิ่งที่จะบริจาคเพื่อพวกเขาได้แนะนำตักเตือนให้จงรักพักดีต่อเลาะและรอศูนของพระองค์ ไม่มีทางใด ada, ที่จะกล่าวโทษแก่บรรดาผู้ที่กระทำดีได้และอรรถนั้นคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอวก และไม่มีบาปใดๆกับบรรดาผู้ที่เมื่อพวกเขามาหาเจ้าเพื่อเจ้าจัดให้พวกเขาขี่เจ้าได้กล่าวว่าฉันไม่พบพาชนะที่จะให้พวกเจ้าขี่พวกเขาก็หันหลังกลับไปโดยที่ในตาของพวกเขาเอ่อล้นไปด้วยน้ำตา และเสียใจที่พวกเขาไม่พบสิ่งที่พวกเขาจะบริจาคแท้จริงทางที่จะกล่าวโทษในนั้นก็เพียงแต่บรรดา ผู้ที่ขออนุญาตต่อเจ้าทั้งๆ ท, ท, ที่พวกเขาเป็นผู้มั่งมีซึ่งยินดีที่จะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้อยู่เบื้องหลงังแต่ละได้ทรงประทับตราบนหัวใจของพวกเขาแล้วดังนั้นพวกเขาจึงไม่รู้อะไรเลยย่าอะตัธรูนอะลัุมอิซารัจอะุมอิไลฮิมกุลลาตะอ์ตะธุรูลันนุอมินะละกุมกัดนับบานัลลอมอบริกุม พวกเขาที่ไม่ออกไปสงครามตะบุจะแก้ตัวแก่พวกเจ้าเมื่อพวกเจ้ากลับมาอย่างพวกเขาจงกล่าวเถิด ม, มูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าอย่าแก้ตัวเลย เราไม่เชื่อพวกเจ้าดอกแท้จริงอลอทรงแจ้งข่าวคราวของพวกเจ้าแก่เราแล้วอลอสนั้นทรงเห็นการกระทำของพวกเจ้าและรอศูนของพระองค์เองก็เห็นด้วยและพวกเจ้าก็จะถูกนํากลับไปยังพระผู้ทรงรอบรู้แห่งสิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผยและพระองค์ก็ทรงแจ้งแก่พวกเจ้าให้รู้ถึงสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกับ พวกเขาจะสาบานต่อลอแก่พวกเจ้าเมื่อพวกเจ้าได้กลับมาอย่างพวกเขาเพื่อให้พวกเจ้ายกโทษให้แก่พวกเขา ดังนั้นพวกเจ้าจงผินหลังให้แก่พวกเขาเถิดแท้จริงพวกเขานั้นโศกปรกโสมลและที่พำนักของพวกเขาก็คือนรกทั้งนี้เป็นการตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาขนขวายไวั้อพวกเขาจะสาบานแก่พวกเจ้าเพื่อให้พวกเจ้าพอใจต่อพวกเขา หากพวกเจ้าพอใจต่อพวกเขาแล้วถ้าจริงอลลอนั้นจะไม่ทรงพอพระไทัยต่อกลุ่มชนที่ทำช่วบรรดาอารับชนบทนั้นเป็นพวกปฏเิเสธศรัทธา และพวกกลับกรอกที่ร้ายกาจที่สุดและเป็นการสมควรยิ่งแล้วที่พวกเขาจะไม่รู้ขอบเขตในสิ่งที่อโลทรงประท า, าในให้แก่รอซูลของปรุงและลอ้นนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชายา และในหมูอาหรับชนบทนั้นมีผู้ที่ถือเอาสิ่งที่ตนบริจาคไปเป็นค่าปรับและพวกเขารอคอยเหตุร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าเหตุร้ายเหล่านั้นจงประสบแก่พวกเขาเถิดและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما يوفق قربات عباد الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم และในหมูอาหรับชนบทนั้นมีผู้ศรัทธาต่อลอและวันพระโลกและถือเอาสิ่งที่ตนบริจาคไปนั้นเป็นการใกล้ชิดกับอโลและเป็นการขอพรของรอซูลพึงทราบเถิดว่าแท้จริงมันเป็นการทำให้ใกล้ชิดแก่พวกเขาอโละจะสรงให้พวกเขาอยู่ในความเมตตาของพระองค์แท้จริงอโลนั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ رَضِيَ اللَّهُ ع َ ن ْ ه ُ م وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ ج ََّ ا ت ٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا าุอบรรดาชนรุ่นแรกในหมู่ผู้อพยพและในหมู่ผู้ให้ความช่วยเหลือและบรรดาผู้ดําเนินตามพวกเขาด้วยการทําดีนั้นอลัลลอฮ์ทรงพอพระทัยต่อพวกเขาและพวกเขาก็พอใจต่อพระองค์ด้วยและพระองค์ทรงเตรียมไว้ให้พวกเขาแล้วซึ่งบรรดาสวนสวรรค์ที่มีแม่น้ําหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล นั่นคือชัยชนะอันยิ่งใมมหญ่ และส่วนหนึ่งจากผู้ที่พำนักอยู่รอบๆพวกเจ้าที่เป็นอาหรับชนบทนั้นเป็นพวกกลับกรอกและในหมู่ชาวมาดีนะก็เช่นเดียวกันพวกเหล่านั้นดื้อรั้นในการกลับกรอกเจ้ามูฮัมหมัดไม่รู้จักทาาแท้ของพวกเขาดอกเราเอาลัลลอฮ์รู้จักพวกเขาดีเราจะลงโทษพวกเขาสองครั้งและพวกเขาจะถูกนําไปสู่การลงโทษอันยิ่งใหญ่ต่อไป และมีกลุ่มชนอื่นที่สรภาพความผิดของพวกเขาโดยที่พวกเขาประกอบความดีปะปนไปกับงานที่ชั่วชา้า หวังว่าอัลล์จะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขาแท้จริงอลัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอุมอทหมหะัมมัด เจ้าจงเอาส่วนหนึ่งจากทรัพย์สินของพวกเขาเป็นฐานเพื่อทําให้พวกเขาบริสุทธิ์และล้างมวลทินของพวกเขาด้วยส่วนที่เป็นฐานนั้นและเจ้าจงขอพรให้แก่พวกเขาเถิดเพราะแท้จริงการขอพรของเจ้านั้นทําให้เกิดความสุขใจแก่พวกเขาและอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้อออลลลลมมนบบด พวกเขาไม่รู้ดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอ์นั้นทรงรับการสำนึกผิดจากวงเบาวของพระองค์และทรงรับการบริจาคทานและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ。 ท ال และจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงทํางานเถิดและลอสจะทรงเห็นงานของพวกเจ้าและรอซูลของพระองค์และบรรดาผู้ศรัทธาก็จะเห็นด้วยและพวกเจ้าจะถูกนํากลับไปยังพระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผย และพระองค์จะสรงแจ้งให้พวกเจ้าทราบถึงสิ่งที่พวกเจ้าทำไว้และมีชอนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังรอคำบัญชาของอัลลอฮ์พระองค์อาจจะลงโทษพวกเขาและอาจจะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขา และลอ้นนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริْาญ ا إ และบรรดาผู้ยึดเอามาสิบหลังหนึ่งเพื่อก่อความเดือดร้อนและปฏิเสธศรัทธาและก่อการแตกแยกระหว่างผู้ศรัทธาด้วยกันและเป็นแหล่งซ่องสมสำหรับผู้ทำสงครามต่อต้านอลัลลอฮ์และรอซูลของโพรง ม, มาก่อนแน่นอน พวกเขาจะสาบานว่าเราไม่มีเจตนาอืา่นใดนอกจากสิ่งดีแล้วร้อนั้นทรงเป็นพยานยืนยันว่าแท้จริงพวกเขาเป็นพวกกล่าวเท็จอย่างแน่ น, นอน Uh ah เจ้าอย่าได้ไปยืนร่วมละหมาดในมัสยิดนั้นเป็นอันขาดแน่นอนมัสยิดที่ถูกวางรากฐานบนความยำเกรงตั้งแต่วันแรกนั้นสมควรอย่างยิ่งที่เจ้าจะเข้าไปละหมาดในนั้นเพราะในมัสยิดนั้นมีคณะบุคคลที่ชอบจะทำตัวให้สะอาดและอัลลอฮนั้นทรงรักบรรดาผู้ทำตัวให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอ ผู้ทีิวางรากฐานอาคารของเขาบนความยำเกรงต่อหลอ และบนความโปรดปรานนั้นดีกว่าหรือว่าผู้ที่วางรากฐานอาคารของเขาบนริมขอบเหวที่จะพังทลายลงและมันก็พังนำเข้าลงไปในนรกดีกว่าและลอนนั้นจะไม่ให้ทางนำแก่กลุ่มชนที่อธรรม อ, อาคารของพวกเขาที่ก่อสร้างขึ้นมานั้นยังคงเป็นที่ระแวงสงสัยอยู่ในจิตใจของพวกเขาจนกระทั่งหัวใจเหล่านั้นจะแตกออกเป็นสิ่งและอลอนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรชาาิออัมนุหุมอวุม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 บบแท้จริงอลอส่งซื้อแล้วจากบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งชีวิตของพวกเขาและทรัพย์สินของพวกเขาโดยพวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์เป็นการตอบแทนพวกเขาจะต่อสู้ในทางของลอและพวกเขาก็จะฆ่าและถูกฆ่าเป็นสัญญาของพระองค์อย่างแท้จริง ซึ่งระบุอยู่ในคัมภีร์เตารอนอินจีนและอัลกุรอานและใครเล่าจะรักษาสัญญาของเขาได้ดียิ่งไปกว่าอัลลอฮ์ดังนั้นพวกเจ้าจงชื่นชมยินดีในการขายของพวกเจ้าเถิดซึ่งพวกเจ้าได้ขายมันไปและนั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวง التابون العبدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف ونهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. บรรดาผู้กลับตัวผู้กระทำการพักดีผู้กล่าวคำสรรเสริญผู้ถือสินหนผู้รุกัวผู้สุยูดผู้ใช้ทำความดีพื่อปรามให้ละเว้นความชั่วและบรรดาผู้รักษาขอบเขตของอัลลอ์จงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้สัตยฟิริง ไม่สมควรแก่นบีและบรรดาผู้ศรัทธาที่จะขอพย่โทษให้แก่ผู้ที่ตั้งภากีและแม้ว่าพวกเขาจะเป็นญาติใกล้ชิดกันก็ตามทั้งนี้หลังจากเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาแล้วว่าพวกเหล่านั้นเป็นชาวนรกอย่างแน่นอน َمَا إِبْرَاهِيمَ عَمْ مَوْعِدَتِ فَلَمْمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِلَّا وَعَدْهَائِيَّاهِ تَبَيَّنَ تَبَرَّأَ إِبْرَاهِيمَ لِأْبِيهِ لَهُ أَنَّهُ لِللَّاهِ مِنْهِ لَأَوْوَاهُنْ حَلِيمٍ عَدُونَ และการขอพยาโทษของอิบรอฮิมให้แก่บิดาของเขานั้น ไม่ได้ปรากฏขึ้นนอกจากเป็นสัญญาณที่เขาได้ไว้แก่บิดาของเขาเท่านั้นแต่เมื่อได้เป็นที่ประจักษ์แก่เขาแล้วว่าแท้จริงบิดาของเขานั้นเป็นสตรูของอโลเขาก็ปลี่ตัวออกจากบิดาของเขาแท้จริงอิบราฮิมนั้นเป็นผู้อ่อนโยนและเป็นผู้มีคันติ ى ي แล้วล้อนั้นจะไม่ทรงให้กลุ่มชนใดหลงผิดหลังจากที่พระองค์ได้ทรงให้ทางนำที่ถูกต้องแก่พวกเขาแล้วนอกจากจะเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาซึ่งสิ่งที่พวกเขายงเกรงเท่านั้น แค่จริงอัลลอฮนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่ ง, งอินนัลลอฮะลหมุลกุสมาวติวล่รยียูมีตวะมาลกุมมิดูนิลลาฮิมิววะลวะลารแท้จริงอัลลอฮนั้นอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์พระองค์ทรงให้เป็นทรงให้ตาย และนอกจากอาลัลลอแล้วก็ไม่มีผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับพวกเจ้า ي ي م م م แท้จริงลล l ่ อ, อนั้นทรงอภัยโทษให้แก่ท่านนาบีชาวมุฮายิรินและชาวอันซอร์ซซึ่งเขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามเขาในยามขับขันหลังจากที่จิตใจของกลุ่มชนหนึ่งในหมู่พวกเขา เกือบจะหันเหออกจากความจริงแล้วพระองค์ก็ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขาแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาเสมอ